อาจารย์ยุกิอาจารย์ชัดชัยแล้วก็เพื่อนสรางธรรมิกทุกท่านจเจรินในธรรมไม่ขี้และก็ยากธรทมทุกคนเสาร์อาทิตย์ก็คนมาปฏิบัติธรรมกันเยอะขึ้นเนาะก็ดีนะพวกเราช่วยโอกาสเวลาว่างเล็กน้อ ย, อยแค่เสาร์อาทิตย์วันหนึ่งคืนหนึ่งสองคืนก็ยังดี ให้โดยจักโชยโอกาสให้เวลากับตัวเองแบบนี้แหละนะจะไปรอว่าจะต้องมาบวชมาอยู่วัดนานๆหรือว่าต้องหาโอกาส7วัน10วันอะไรที่จริงเวลาเล็กน้อยที่เราให้กับตัวเองบ่อยๆนี่แหละมาสําคัญมากนะวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีนะพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ว่าผู้ที่นะมีชีวิตอยู่นะ อย่างเรียกว่ารู้ทันตัวเองเป็นปกติอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมแต่บางคนบวชร้อยปีแต่ไม่ได้รู้จักตนเ อ, ง, องแท้จริง <c oughs> ก็เป็นบุคคลที่เรียกว่าไม่น่าชมเชยอะไรเลยแต่ผู้ที่มีชีวิตเป็นปกติจิตใจเป็นปกติอยู่แม้เพียงคืนเดียวราตรีเดียวก็เป็นผู้ที่น่าชื่นชมนะท่านชื่นชมที่ตรงไหน ช่นชมที่สภาวะจิตใจที่ไม่ทุกเนี่แหละนะคือบุคคลที่น่าชื่นชมถ้าเรารู้จักฝึกหัดจิตใจให้เข้าถึงความไม่ทุกให้เข้าถึงจิตที่ปกติได้นะจะมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังส ต, ติปัญญาของเราเองอันนั่นแหละคือบุคคลที่น่าชื่นชมเนาะเราก็ขอชื่นชมนะทุก ค, คนที่มามาภาวนาที่นี่ด้วยนะ แม้จะยังเข้าถึงไม่เข้าถึงก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราได้มีจิตใจที่เรียกว่าใฝ่ในทางธรรมมาบ้างแล้วนะมาใฝ่ในทางธรรมแล้วมาฝึกหัดภาวนาแล้วก็มาภาวนาด้วยแต่กรรมภาวนาคืออะไรนะก็ต้องให้เข้าใจตรงนี้ด้วยทางที่พระเจ้าท่านสอนก็สอนเรื่องการกลับมาดูกายแล้วก็ดูใจนี่แหละนะดูกายดูที่ตรงไหน สลายสำนักหลายรูปแบบบางคนก็จะสับสนเนาะเคยไปหลายที่ครูบาอาจารย์สอนแตกต่างกันไปหรือแม้แต่บางทีในสำนักเดียวกันในสายสมวัตเทียนเองบางทีไฟลายแห่งหรือว่าครูบาอาจารย์หลายคนก็จะสับสนปนเปนกันไปจับหลักไม่ได้ปฏิบัติไม่ถูกมีในเรื่องความสงสัยดังเลใจซึ่งก็เป็นธรรมดานะนะอย่าจะมาตทำปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็ ความสงสัยความลังเลนะความไม่เข้าใจก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคนอื่นๆที่เคยได้ยินได้สัมผัสกันก็คงมีเหมือนกันแต่มากบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่จะดิ้นิสัยนะบางคนก็วางใจได้ครูบาอาจารย์บอกให้ทําแบบไหนก็ทําไปก่อนไม่ต้องตั้งคําถามทําไปแบบซื่อๆทาไปแบบตรงๆไปเลยก็มีอยู่เหมือนกันแต่ก็เป็นส่วนน้อย บางคนก็อาจจะไม่ถามภายนอกแต่ก็สงสัยภาในใจคิดคําควรดูว่าที่เราภาวนามาเสียเวลาอยู่กับวัดอยู่กับว่าวันหนึ่งสองวันหรือบางคนมาอยู่มาบวชนานๆจะได้ไรนอ ก, ก็สงสัยในใจนะบางทีก็สงสัยเลยเข้าไปว่าคําสอนของพระเจ้าเออมันถูกจริงหรือเปล่านะมันถูกจริงหรือเปล่าสอนไปแล้วทําไมสอนแต่เรื่องทุกข์ มันจะออกจากทุกได้จริงหรือเปล่าหรือบางทีบางคนสงสัยในแนวทางปฏิบัติอย่างเช่นในแนวทางหลวงพ่อเทียนเองมาเห็นยกมือสร้างจังหวะมาทํากิริยาแตกต่างจากที่อื่นทําไมที่อื่นเขานั่งสมาธิทําไมที่นี่ต้องยกมือสร้างจังหวะด้วยทําไมที่อื่นเขาเดินจงกรมแบบช้าๆยกย่างเหยียบหรือว่ากําหนดบริกรรมด้วยทําไมที่นี่เดินธรมธรมดาๆสบายด้วยมันก็เกิดความสงสัยลังเล หรือบางคนบวชในวัดทําไมมีวัดธรรมยุทธ์มีวัดมหานิกายมีรูปแบบแตกต่างกันไปนะหรือบางคนบางสำนักก็สอนให้รักษาศีลทําบุญทําทานก่อนภาวนาเอาไว้ที่หลังเราก็ว่ากันไปแบบนั้นความสงสัยควมงมเลนะมันชวนให้เรียกว่าให้เราหมกมุ่นคุ้คิดให้เราตั้งคําถามให้เราไม่แน่ใจเยอะแยะมากมายเลย ก็คงมีกันบ้างเนาะในแต่ละบุคคลซึ่งอาลมาก็อาจจะเทียบเคียงจากตัวเองด้วยก็เคยสงสัยเรื่องพวกนี้สงสัยเรื่องบุญสงสัยเรื่องบาปเคยไหมนี่ทำไมคนทําดีไม่เห็นได้ดีทําไมทําดีแล้วก็ยังทุกอยู่ในว่าทําดีแล้วจะมีความสุขแต่ทําไมเราทําดีแล้วมันกลับทุกเนอะทาไมมันทุกหนอนาบางคนเห็นทําชั่วไม่เห็นมันทุกเลย ยิ้มได้สบายใจทําไมเป็นแบบนั้นนะทําไมทําดีแล้วทุกข์ทำไมทําชั่วแล้วสุขนะทําไมกรรมที่กระทําทําไมไม่เห็นสนองกรรมตรงนั้นเลยนะแล้วก็ต้องเลยสงสัยในพระพูธในพระธรรมในพระสงฆ์ดังเลยสงสัยในกรรมในบุญในบาปต่างต่าตอนนี้เนาะมันก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยมันจะค่อยค่ยค้คลายให้คําตอบ กำความสงสัยต่างๆตอนนี้ได้คําคตอบตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเขาเฉลยให้หรือว่าเราไปอ่านหนังสือแล้วเจอแล้วจะเข้าใจอันนั้นก็เป็นคําตอบส่วนหนึ่งแต่เมื่อเราภาวนาไปแล้วจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อบุญที่แท้จริงคืออะไรนาะบุญจากการทําทานมันก็ดีในระดับทําทานเนาะทําทานไปแล้ววันหนึ่งจะทําทานได้กี่ครั้งกันอ ทำบุญตักบาตรในตอนเช้าก็เวลาเดียวนะทําทานบริจาคน้ําท่วมบริจาคนั่นบริจาคนี่ก็เป็นโอกาสเป็นสิ่งที่เป็นข้างเป็นข่าวไปแต่มัมีทานที่สูงกว่านั้นไหมนะเคยรู้จักทานกีเดชอภิญญาจิตใจแล้วไหมเวลาโกรธรู้จักให้อภัยญาทานไหมนะหรือว่าโกรธแล้วกูต้องจำํำกูต้องแก้แค้นให้ได้โกรธแล้วรู้จักให้อภัยทานไหมอันเนี้ยพ่อที่จริงถึงต่างนี้ มันก็เป็นทานเหมือนกันเนาะให้อภัยทานความโกรธออกไปที่จริงทานสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจตัวเองออกไปด้วยก็ยิ่งดีมากทานความหลงทานความโลภออกไปโอ้ยิงมีแต่ความเบาความสบายเห็นอ้อทานมันมีหลายระดับเนาะทานที่เป็นสิ่งของที่เป็นวัตถุปัจจัยภายนอกก็มีในระดับหนึ่งทานที่เป็นการสละสิ่งที่ไม่ดี สระกีเดชตัณหาโอชชจิตใจยิ่งเบายิ่งสบายไปมากกว่าเก่าโอ้ธรทานหรือที่จริงแม้แต่เรื่องเป็นธรรมทานก็ยิ่งสูงเง้นไปใหญนะ่ให้ธรรมะเป็นทานนะมีหน้าที่บอกมีหน้าที่สอนก็บอกก็สอนสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกเออก็เป็นทานแลเนาะไม่มีเงินไม่มีทองก็สามารถทำทานได้ให้ความรู้ให้ความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องถูกทาง เออก็เป็นทานเหมือนกันแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าโอ้เรามีโอกาสได้พูดได้แสดงธรรมะอา่าไม่ได้แจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทานได้หรือเปล่าที่จริงแค่เราทำตัวอย่างให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นได้สัมผัสก็เป็นธรรมทานแล้วนะเหมือนต้นไม้ใหญ่เนาะมันก็อยู่พิเศษของมันแหละพอมีนกมาเกาะก็ได้อาศัยร้นไม้ได้พักในการบินชั่วคราวถ้าต้นไม้มี ออกผลมันก็ได้กินหรือคนไปอาศัยพักพิงหลบพรอ้อมหลบฝนก็ได้แบบนี้เนาะเนี่ยธรรมทานที่เป็นการที่เราเป็นที่พึ่งเป็นความร่มเย็นให้กับคนอื่นก็เป็นธรรมทานได้เช่นเดียวกันอ๋อมันก็จะเข้าใจโอทานมันก็มีหลายแบบหลายระดับของมันเนา ะ, ะสินก็เหมือนกันศินที่เรารักษาจะเป็นศินห้าสินแปดสินสิบ ศีลสองแต่ก่อนมันรักษาศีลแบบแบบผ้าขาวที่แบบกระดำกระดางรักษาได้บ้างรักษาไม่ได้บ้างาขาดขาดวินวิ น, นมีรูปะผุนไปมากมายรักษาศีลวันนี้ขอศีลจากพระก็ทําขาดในเวลาไม่ช้าไม่นานเกินไปศีลแบบนั้นที่ต้องไปขอเขาแล้วก็มารักษาไว้ไม่ค่อยได้หรอก พร้อมเกิดจากศีลที่มีความตั้งใจจะรักษาเองโอ้ไม่ต้องขอจากใครแต่ตั้งใจจะรักษาเองนี่โอ้มันมั่นคงมันแน่นมันแน่วแน่มันไม่ขาดง่ายๆจริงๆมันกลายเป็นศีลที่เป็นมาจากรากศัพท์ที่เรียกว่าธีลารธีราคือหินที่มันตั้งมั่ น, น, น, นหินมันตั้งมั่นหินมันตั้งมั่นอะไรมาโยกคลอนก็ไม่หวบ่นไวนะ้เห็นเงินตกอยากจะยิบเอาไปของตนเอง จิตมันอาจจะวันไวแต่พอมันตั้งมั่นขึ้นมาเออเงินนี้ไม่ใช่ของเรามันมีเจ้าของเก็บไปคืนเขาดีกว่ า, าเห็นยุงมากัดอยู่คนเดียวนี่ตบยุงไม่ผิดศีลหรอกมั้งใจก็คิดแบบนั้นไม่มีใครเห็นหรอกใจก็มีสติคิดมาได้อ้อไม่มีคนเห็นแต่เราเองก็เห็นตัวเองว่าทำผิดเราไม่ใช่คนหรอถ้ามองตัวเองไม่ใช่คนก็แสดงว่า เออไม่เห็นนะไม่เห็นตัวเองนะเผยเผยทำผิดศีลในห้องอยู่ที่รับตาคนอื่นนะแต่จริงรับตาตัวเองไม่ได้นะนี่แหละศีลแม่มีโอกาสอยู่คนเดียวมีโอกาสนะที่จะฉวยได้แต่เราก็ไม่ทำผิดศีลตรงนั้นนะอันนี้แหละคือความตั้งมั่นที่แท้จริงนะศีลจนกระทาั่งมันไม่หวั่นไหวเลยนะเห็นอะไรที่มัน จะทําให้ผิดศีลจิตมันเป็นปกติอยู่ของมันออไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ทางตาหูจมูกทิ้นกายใจอ้อศีลที่แท้จริงเป็นแบบนี้ก็มีนะเนาะแต่ก่อนต้องรักษาศีลแต่ตอนหลังนี่ศีลมากับรักษาตัวเราเองให้มีความเป็นปกติรักษาให้เรามีความสุขมีความสบายมีความเข้าใจถึงต่างๆมากขึ้นอ๋อทานก็มีผลแบบนี้เนาะ สินที่ยิ่งขึ้นไปก็มีผลมากมายเช่นเดียวกันแล้วก็เห็นว่าที่จริงศินมันไม่ใช่เรื่องข้อแตเป็นเรื่องของใจนี่เองเนาะใจที่ปกตินี่เองที่เป็นศินที่แท้จริงไม่ใช่ศินห้าสินแปดสิน 10, สิบสิสองร้อยยี่ิบเคือกายวาจาแล้วก็ใจเป็นปกตินี่เองอ๋อนี่แหละคือศินนะปัญญาหรือการภาวนาก็เช่นเดียวกันมันจะเห็นอ๋อ ที่ภาวนาในรูปแบบก็แบบนั้นแหละนะไม่ต่างกันหรอกจ่ น, นั่งดูลมหายใจจะ น, นั่งยกมือเคลื่อนไหวจะเดินจงกรมหรือจะไม่ไทําในแบบนี้แต่ถ้าจิตใจคอยตามรู้ตามดูนะตามรู้ตามดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเอ้ยก็การภาวนาเหมือนกันกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันอ่าไม่เป็นไปกับมันอ๋ออันนี้คือภาวนากิเลสเกิดขึ้นรู้ไม่ทันจะยกมืออยู่ แต่ก็ใจไหลไปกับกิเลสอยู่อ๋ออันนั้นเหรอคือนักภาวนาอ๋อก็ไม่ใช่เนาะเราก็เคยเป็นแบบนั้นนะเคยเป็นแบบนั้นเคยเป็นผู้หลงมาเหมือนกันหลงไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันกี่ปีแล้วก็ไม่รู้นะคนอื่นนะก็หลงเหมือนกันแต่พอมีสติรู้ทันมันออกจากความหลงได้ทุกคนไม่ใช่แต่เราหรอกทุกคนสามารถออกจากความหลงได้นะถ้าเรามีสติไม่คอย เป็นตัวคอยเตือนหลงแล้วนะรู้ทันหรือเปล่าเมื่อสติมันรู้ทันมันจะยับยั้งใจได้อ่อน่าสติไม่นคอยเตือนสตินี่เป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ดีมากนะเป็นกันยานมิตรที่สําคัญที่สุดนะกันยานมิตรที่เป็นบุคคลก็เป็นส่วนสําคัญแต่บุคคลไหนก็ไม่สามารถอยู่ใกล้เราคอยเตือนเราได้ตลอดเวลาหรอกพ่อแม่ปกปักรักษาเราได้แต่ตอนอยู่ที่บ้านนะ ครูบาอาจารย์อบรมสั่งตอนเราได้แต่ตอนอยู่โรงเรียนในมหาลัยแต่จะมีใครเป็นมิตรกับเราที่แท้จริงตลอดไปมีแต่สติเท่านั้นนะแม้แต่พระก็ไม่สามารถเป็นมิตรเราได้ตลอดไปนะบอกสอนแนะนําได้แต่คนที่จะเป็นมิตรเราได้ที่แท้จริงคือสติเราคอยบหมันสร้างสติให้เป็นเพื่อนเป็นมิตรเราตลอดเวลานะสติจะเกิดขึ้นตอนไหนจะมาเมื่ อ, อไหร่ แต่เกิดขึ้นหรือจะมาก็ตอนที่เราได้รูร้ว่ากําลังทําใดในตอนนั้นนั่นแหละทติจะมาทันทีแต่ถ้าใจเราลอยไปที่อื่นทติมันหนีไปที่อื่นตามไปด้วยใจเราลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สติก็ตาเดิร์เปิดเปิงไปเช่นเดียวกันแต่พอเมื่อไรมันได้ ร, รู้ได้ว่ากําลังนั่งอยู่เช่นตอนเนี้เรานั่งอยู่รู้อยู่ว่ากําลังนั่งบางคนพนมมือก็รู้ว่ากําลังนั่งพนมมือ บางคนนั่งยกมือก็รู้ว่ากาลังนั่งยกมือบางคนนั่งตั้งใจฟังก็รู้ว่านั่งตั้งใจฟังพวกเราอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ริยบบทนั่งเป็นพื้นแต่ริยบทย่อยแตกต่างกันไปแล้วแต่จะทำอะไรแตกต่างกันไปเราก็ดูที่ตัวของเราเองอ้อเห็นเห็นที่ตัวเองกาลังนั่งเป็นแบบนี้นะบางคนคิดตามบางคนนั่งฟังเฉยๆบางคนก็ง่วงนอนบางคนก็สงสัย ก็ดูที่ตัวเองไปนะก็ดูพอกลับมาเห็นตัวเองว่ากําลังทําอะไรทติมันก็กลับมาอยู่เป็นเป็นมิตรคอยอยู่ข้างๆอ่ากลับมาอยู่พอบางทีใจมันเผลอไปนะทติก็จะคอยเตือนนะเผลอไปคิดแล้วนะนะเผลอไปหลงแล้วนะทัติก็จะคอยเตือนคล้ายๆมีเพื่อนอยู่ข้างๆพอเห็นเราสับประงกต่วงนอนหรือว่าใจลอยไปเขาก็จะกิจ แล้วก็กลับมารู้ตัวนะตติก็จะคอยสะ ก, กิดใจให้กลับมาดูใจที่มันหลงไปเช่นเดียวกันนะกลับมาดูใจที่มันหลงไปสติจะคอยเตือนอ๋อหลงไปแล้วนะรู้ทันตัวเองนะอ่าเพราะนะจะคอยพอมันตติคอยเตือนมันจะมีสภาวะตามมาคืออะไรมันจะตื่นอนะ่มันจะรู้แล้วก็ตื่นเบิกบานนะรู้ก่อนนะ รู้ตัวก่อนว่ากําลังทําอะไรมันก็จะตื่นตัวขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมาก็เกิดเป็นความเบิกบานจะว่าแยกกันก็ได้แต่จริงมันก็เกิดไล่ๆเ ร, รียกันพอๆกันนั่นแหละสภาวะรู้ตื่นเบิกบานนี่แหละคือสภาวะพุทธะจะเห็นได้ว่าเมื่อใดที่มีสติเมื่อนั้นมีพุทธะเมื่อนั้นแหละมีพระพุทธเจ้ามาเป็นกันยมิตรเพิ่มอีกคนนึ่งทติจะดึงพระพุทธเจ้ามาเป็นกันยมิตรของเราอีกทีหนึง่ง พระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่ปรินญพานนานไปแล้วแต่จริงพระพุทธเจ้าที่เป็นนามธรรมคืออะไรสภาวะพุทธนี่แหละรู้ตื่นเบิกบานในใจนี่แหละเมื่อใดที่มีสภาวะพุทธรู้ตื่นเบิกบานในใจเมื่อนั้นแหละพระพุทธเจ้าเป็นกัารมิตรเราแล้วนะเราได้เข้าใกล้พระพุทธองค์แล้วนะได้เข้าถึงพระพุทธองค์มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็มีพัมตามมาด้วยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมีพัฒราอยู่ที่นั่นนะ มีสภาวะรู้ตื่นเบิกบานเมื่อไหร่ก็จะเกิดความสงบเกิดความสบายเกิดความไม่ทุกข์อันนี้แหละคือสภาวะของพระธรรมนะที่ไม่จํากัดการไม่จํากัดเวลามีความสงบมีความสบายมีความไม่ทุกข์พระธรรมก็ตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นนะเราก็พบพระธรรมที่ตรงนั้นใจเราก็เป็นสภาวะของพระสงฆ์จะเป็นพระสงฆ์ ที่โกนหัวนุ่งเรืองเป็นแม่ชีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาถ้าสภาจิตใจเป็นแบบนี้ก็ถึงสภาวะจิตใจที่เป็นพระสงฆ์ได้นะพระสงฆ์โดยภายนอกเป็นแค่รูปแบบแต่พระสงฆ์ที่แท้จริงคือจิตใจอ้อเกิดความตั้งมั่นที่จิตใจเคยความรู้ตื่นเบิกบาน ท, ที่จิตใจนี่เองเคยความสงบล่มเย็นที่จิตใจจิตใจเป็นพระสงฆ์แล้วเนาะนะมันก็รู้ได้อ้อ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยกันที่ตรงนี้เมื่อเราเริ่มเข้าใจตรงนี้นะความศรัทธานาที่เคยสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมมันก็เลิกสงสัยของมันเองแหละอ๋อมันเชื่อแล้วว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเช่นไรมันเกิดความมั่นใจว่าแต่ละคนถ้าปฏิบัติภาวนาไปก็สามารถเข้าใจตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะ แม้แต่เรื่องของกรรมก็เหมือนกั น, นกรรมขาวกรรมดาเป็นบาปเป็นบุญมันก็เป็นแบบนั้นแหละจะบาปก็ทำให้เกิดบาปาจะบุญก็ทำให้เกิดบุญแต่ก็ยังวกๆเป็นเวียนเวียนไหวใจเกิดอยู่แต่ถ้าเราทำกรรมฐานมันกลายเป็นการเหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรมขาวเหนือกรรมดาไม่มีไม่มีผู้กระทำมีแต่การกระทะ กรรมนะมันคือสิ่งที่กระทำนะเป็นเพศการกระทำมันก็เกิดผลของการกระทำแต่ถ้าเมื่อไรที่เรามีกรรมฐานเราฝึกมีสติมันจะกลายเป็นแต่การกระทำเป็นกิริยาแต่ไม่มีผู้กระทำไม่มีเราเป็นผู้กระทำมีแต่กิริยาที่มันทำมีแต่กิริยาที่มันนั่งมีแต่กิริยาที่มันเดิน มีแต่กิริยาที่มันยืนมันนอนมันกินมันทายมันคิดมันมีแต่กิริยาของกายและกงของจิตแต่ไม่มีเราก็้าไปในกิริยานั้นอ้อเนี่ยก็เข้าถึงตอนนี้อ้อรู้แล้วว่าถ้ากรรมบวกกรรมลบมันก็ทําให้เวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าทํากรรมที่เป็นกรรมฐานที่เป็นเพียงแค่กิริยาของกายและก็ของจิตชีวิตมันก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดได้นะชีวิตมันก็อยู่เหนือผลของกรรม ต่างๆเหล่านี้ได้กรรมฐานจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆตรงนี้ได้นะเอาจากการที่เราค่อยๆเพียนภาวนาตรงนี้ไปนี่แหละเริ่มต้นจากการดูกายให้มันชัดดูกายให้มันชัดนะในสายหลวง่อเทียนจะเน้นในการดูกายเป็นเบื้องต้นกายตรงไหนที่มันดูได้ชัดมากนี่แหละนั่งอยู่ก็ดูว่ากำลังนั่งอยู่ กายที่หยับๆยาบที่เคลื่อนที่ไหวนะที่หยุดที่นิ่งกิริยาไหนก็ได้ให้รู้ที่ตรงนี้นะรู้ที่กายรู้ที่การเคลื่อนแล้วก็การหยุดนะการเคลื่อนการหยุดมันเคลื่อนท่าไหนก็เคลื่อนเหมือนกันนั่นแหละมันหยุดท่าไหนก็หยุดเหมือนกันนั่นแหละนะรู้ที่การเคลื่อนที่การหยุดเป็นพอจะหายใจก็หายใจเข้ามันก็หยุดนิดนึงก็หายใจออกมันก็เหมือนกันนั่นแหละ ตายดูง travels, ่ายๆก็คือดูการเคลื่อนดูการหยุดอะไรก็ได้ที่เราดูแล้วมันเด่นแล้วมันชัดแล้วมันสบายเราก็ดูของเราไปถ้าจะยกมือในรูปแบบก็ยกให้มีเคลื่อน แ, แล้วก็ใ ห, ให้มีหยุดด้วยนะอย่าเคลื่อนยาวต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ให้มีจังหวะหยุดพักนิดนึงเมื่อจังหวะเคลื่อนก็รู้ว่าเคลื่อนเมื่อจังหวะหยุดก็รู้ว่าหยุดเมื่อเคลื่อนใหม่ก็รู้ว่าเคลื่อนใหม่เมือม่อหยุดใหม่ก็รู้ว่าหยุดใหม่ มีแต่จังหวะที่เปลี่ยนแปลงไปของกายเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเปล uh, ี่ยนแปลงไปต่างๆเหล่านั้นมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางก็ดูไปแบบนั้นแหละนะมันจะเห็นมันจะเข้าใจกายเป็นรูปธรรมอย่างไรนะเป็นรูปธรรมอย่างไรเป็นท่าศรีอย่างไรนะเป็นความเข้าใจที่แท้จริงเรื่องของรูปอย่างไรก็ดูจากกายของ เราเองนี่แหละดูกายมันไม่ได้เห็นแค่กายหรอกนะไม่จะเห็นไม่จะอยากเห็นแต่กายอยากจะรู้แต่กายมันก็เป็นไปไม่ได้ก็มีความคิดเข้ามาแทรกมีความสงสัยเข้ามาแทรกมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยเฉยเข้ามาแทรกตลอดเวลามันเกิดขึ้นมาแทรกก็ดูเมืนไปมันไม่เกิดที่จริงมันก็เกิดนั่นแหละนะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่เด่นมันไม่ชัด ก็ไม่ต้องสนใจมันก็สนใจกายไปแต่พอเมื่อไรความสุขโผล่ขึ้นมาก็รู้ว่าจิตมันมีความสุขเมื่อไรความทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ว่าจิตมันมีความทุกข์นะนะจำไวนะ้เนาะจิตมันสุขจิตมันทุกข์ไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราทุกข์นะเมื่อไรที่ไปคิดว่าออเราสุขให้กลับมาดูไม่ใช่เรานะเป็นแค่จิตเขามีความสุขเมื่อไรที่เราทุกข์ให้รู้ทัน ไม่ใช่เราทุกข์นะเป็นแค่จิตมันมีความทุกข์เมื่อไรที่จิตมันเฉยเฉยก็ให้รู้ฐานว่าจิตมันเฉยเฉยไม่ใช่เราเฉยเฉยให้รู้มันถ้าไปแบบนี้อ้อเป็นเพียงแค่เรื่องของจิตที่มันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็เฉยเป็นกลางนะบางครั้งถ้าจะดูเรื่องอันนี้เรียกว่าสุขทุกข์หรือว่ า, าเฉยเฉยนี่รเรียกว่าเวทนานุปัสนา ให้ดูขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าอะไรจิตตาโนปัสสนาดูที่ไหนดูง่ายๆดูสองอย่างก็คือจิตที่เป็นปกติกับจิตที่ผิดปกตินะจิตที่เป็นปกติก็คือจิตที่ไม่มีกิเลสมาครอบงำไม่มีกิเลสมาเจือผลจิตมันเป็นปกติอยู่นะกับจิตที่ผิดปกติไปจิตที่ผิดปกติคืออะไรเช่นโลภโกรดหลง ฟุ้งซานนะต่ า, างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาก็เห็นอ๋อเมื่อกี้จิตมันปกติต่อมาเอา้าจิตไม่ปกติแล้วมีความโกรธเกิดขึ้นอ่าพอรู้ทันความโกรธมันกลับมาปกติใหม่นะพอโกรธเกิดขึ้นแล้วเอา้าคราวนี้หลงอีกแล้วรู้ทันว่าจิตมันหลงไปอีกแล้วก็ดูไปเป็นคู่แบบนี้นะ ดูจิตมันเป็นคู่ปกติกับไม่ปกติแค่นี้ก็ดูได้ละไม่ต้องไปดูว่ามันคิดเรื่องอะไรคิดดีหรือคิดไม่ดีอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของความคิดไม่ใช่เรื่องของจิตนะความคิดมันจรมาที่จิตชั่วคราวให้เห็นว่าจิตตอนนี้ไม่มีความคิดมาเจือให้เห็นว่าจิตตอนนี้มันมีความคิดเข้ามาเจือมาครอบงำให้เห็นว่าจิตตอนนี้เป็นปกติให้เห็นว่าจิตตอนนี้มันมีอารมณ์มาครอบงำชั่วคราว ก็ดูไปแบบนี้แหล ะ, ะหรือบางคนมีสติปัญญามากก็ดูขันห้าก็ได้ดูกระบวนการทำงานของทันห้าซึ่งเป็นธรรมารมที่เราสามารถดูได้เช่นเดียวกันดูเรื่องของขันอย่างที่เราสวดมนต์ทำวัดรูปไม่เที่ยงอย่างไรรูปเป็นทุกอย่างไรรูปไม่ใช่ตัวตนอย่างไรดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนอย่างไรมันเกิดแล้วก็สัมพันธ์กันอย่างไรในขันทั้ง5แยกธาตุแยกขันออกไปขันห้ามันบริสุทธกองแต่ตอนแรกเราแยก5ขันไม่ได้หรอกเราแยกเป็นสองกองก่อนให้มีวิปัสสนาญาณตัวต้นคืออะไรปฏิบัติทำไปแล้วน่าจะเกิดวิปัสสนาญาณแน่นอนคืออะไรแยกรูปแยกนามได้มันจะแยกกองรูปกับกองนามออกไปเห็นสติมันจะเห็นอ้อ รูปมันก็ทำงานเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทำอะไรไปของมันมันก็เป็นเรื่องของรูปไอ้นามที่เป็นจิตนะที่เป็นความคิดที่เป็นความรู้สึกก็เกิดขึ้นเออก็เป็นส่วนหนึ่งของมันไปสติที่ดูที่เห็นรูปมันทำงานที่เห็นจิตมันทำงานก็ดูไปของมันนะสติจะเห็นอ้อกองรูปมันทำงานของมันไปแบบนั้นกองนามันทางานของไปแบบนั้นเนาะ นี่เริ่มเข้าใจและออดจิตมันตั้งมั่นจะเห็นได้ว่ารูปกับนามมันแยกกันอย่างไรแต่มันก็สัมพันธ์กันอย่างไรด้วยนะมันเป็นกองที่แยกกันแต่สัมพันธ์กันนะมันเกี่ยวเนื่องด้วยกันนะแต่ที่จริงมันไม่จำเป็นต้องไปทุกข์ด้วยกันเมื่อไร่ที่รูปมันทุกข์ไม่จําเป็นต้องไปทุกข์นามไม่จําเป็นต้องไปทุกข์ด้วยนะแต่พอโง่เมื่อไหร่รูปมันทุกข์นามก็ทุกข์ด้วยนะรูปมันสุขนามก็สุขด้วยนะ เห็นนะรูปทุกเห็นนามทุกนะเห็นโรคของรูปเห็นนามของรูปโอโรคของรูปมันก็เป็นแบบนี้เ น, ะนาะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดแข้งปวดขาไม่สบายกายอะไรต่างๆแต่โรคของนามนี่นมีเชื้อโรคที่น่ากลัวมากคืออะไรโรคโกดหลงนี่แหละเป็นเชื้อโรคของจิตใจมันเป็นตัวที่บ่มเพาะให้เกิดรูป ให้เกิดโรคของนา ม, มาธรรมร้องไห้เสียใจนะเห็นรูปโรคเห็นนามโรคนะเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นโอ้สารพัดมากมายจนกรทั่งเห็นนะทุกขังอนิจจังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนของโรคและของนามนี้แนตะ่ที่จริงตรงนี้มันก็ยังไม่ใช่การเห็นจนกรทั่งมันเข้าใจทั้งหมดหรอกนะ สมองก็จะค่อยๆเข้าใจอ๋อพอแยกกองรูปกองนามได้ต่อไปมันจะแยกกองนามที่เป็นละเอียดต่อไปเอกนะอย่างกองนามนะที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารหรือว่าวิญญาณมันจะเห็นเลยว่าแต่ละตัวมันก็ทํางานของมันเป็นอิสระนะเป็นอิสระแต่พเพียงแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะเป็นเหมือนคล้ายๆแผนกคล้ายๆเครื่องจักร ที่มันก็มีกลไกมีเครื่องจักรที่ทำงานไปคนละชิ้นทำงานตอนนี้ต่อแล้วก็ไปส่งต่อให้กับอ e ีกแผนกหนึ่งให้กับอีกเครื่องหนึ่งอ้อมมาส่งต่อกันไปแบบนั้นเนาะโอ้ขันทั้งห้ามาทำงานต่อเนื่องกันไปแบบนี้เนาะไอห้ากองนี้นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันหลอกให้เราสุขมันหลอกให้เราทุก์มาไม่รู้เดิ่นนานตาปีไม่รู้ทักเท่าไหร่แล้วพอเรามาเริ่มเข้าใจ รูปขันรูปประขันนามขันต่างเหล่านี้แล้วอ๋อมันโยนลงไปเดี๋ยว่ว่ามันเป็นเรื่องของขันทั้ง5ไม่ใช่เรื่องของเราไม่มีเราในขันนะมันมีแต่เรื่องของขันเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่ใช่เรื่องของเราเ น, ะนาะนะเมื่อใดที่หลงถึงมีเราเมื่อใดที่ไม่หลงก็เลิกมีเราแต่ความมีเรา มันก็มีได้หลายแบบแบบยึดมั่นถือมั่นมากบางๆกลางๆก็มีตราบใดที่ยังไม่เป็นพระลังหันก็ยังมีเราอยู่เป็นธรรมดาแต่เราที่รละเอียดมันก็มีขึ้นไปเราแบบหยาบๆมันก็มีมีตัวกูมีของกูมีของเราเป็นธรรมดาแต่พอสติปัญญามันมากขึ้น ไอตัวหยาบๆมันก็จะค่อยวางไปได้อ๋ออันนี้ไม่ใช่เราแล้วอันนี้ไม่ใช่เราแล้วแต่ก็อยังไปยึดนะยังไปยึดความเป็นเราที่เป็นคลองละเอียดขึ้นไปอีกก็มีนะนะ <S <s เห็นว่าเรารู้นะเป็นวิปัสสนูเป็นวิปเป็นวิปลาสไปนะ <S <s เห็นความรู้ที่เกิดขึ้นความเข้าใจที่เกิดขึ้นก็ไปสําคัญว่าเราเป็นผู้รู้สําคัญว่าเราเก่งสําคัญว่าเราดี อยากจะไปบอกอยากจะไปสอนอยากจะไปแนะนำอยากจะไปอะไรต่างๆไป ท, ที่แท้มันก็คือมันอยากจะอวดรู้นั่นแหละ <c oughs> ส่วนหนึ่งก็อวดรู้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะช่วยคนอื่นจริงๆด้วยนะอีกส่วนหนึ่งมันก็คือไปยึดมั่นถือมั่นในความรู้ด้วยอันนี้แหละโอ้มันก็เป็นตัวดอกให้เราหลงให้เราวนอยู่กับความเป็นเรานี่ยแหละแต่ความเป็นเราในแง่ที่ว่าเราดีเราเก่งเรารู้ สติก็จะกลับมาเตือ น, นต้องมีสติเป็นเพื่อนคอยเดินทางตลอดเวลาเช่นเดียวกันเสรีก็จะคอยเตือนนี่หลงไปเป็นเราเก่งเรารู้เราดีแล้วนะเสรีจะคอยเตือนก็จะวางอ้อวางความเป็นผู้รู้วางความเป็นคนเก่งวางความเป็นคนดีไปก็มีแต่การรู้การเข้าใจการดีเป็นเฉยแต่ไม่มีเราเข้าไปตรงนั้นแล้วสติก็จะคอยเตือน ต, ต่างเรื่อนี้ไป อันนี้แหละก็เป็นเรื่องของการภาวนาการปฏิบัติการฝึกหัดของเราทุกคนเนาะก็ได้แต่พูดให้ฟังนะแต่พวกเราก็ต้องมีนาที่ในการฝึกหัดทำความรู้สึกตัวเข้าไปเรื่อยๆทำความรู้จักกับความรู้สึกตัวเนี่ยแหละมันจะเป็นกุญแจเป็นคำตอบให้กับเรื่องของชีวิตจิตใจที่แท้จริงเมื่อเราเข้าใจเรื่องของชีวิตจิตใจที่แท้จริงความไม่ทุกข์ ก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นกับเราเองนะมันจะเห็นเลยว่าความไม่ทุกข์ไม่ต้องไปรอในชาติหน้าไม่ต้องไปรอตอนแต่ตายแต่ความไม่ทุกข์มันปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาตอนนี้นี่เองตอนไหนที่รู้สึกตัวมันก็ไม่ทุกข์แล้วเนาะมันก็ยิ้มได้มันก็ออกจากความหลงได้ถ้าเราสะสมความไม่ทุกข์ในตอนนี้บ่อยๆมันก็จะพัฒนากลายเป็นความไม่ทุกข์บ่อยๆเป็นนิพพานนะ แต่ถ้าจะพูดถึงสติก็จากสติน้น้อยก็จะกลายเป็นมหาสตินะสตนิน้อยก็กลายเป็นมหาสติสติที่เป็นมหาสติก็จะกลายเป็นเรียกว่าเป็นกําลังที่หนุนที่จะเสริมให้คุณธรรมต่างๆมันเข้ามามีสมาธิมีปัญญามีอะไรต่างๆเข้ามามากมายมันจะเปกองหนุนที่เสริมกันไปองค์ธรรมต่างๆอันนี้จะทําให้เป็นองค์ธรรม ที่เหมาะที่ควรเกี่ยวกับการเข้าใจธรรมะเนาะก็ฝากให้เป็นแง่คิดให้เป็นกำลังใจในการภาวนาฝึกหัดของเราไปเนาะก็ขอให้พวกเราทุกคนได้ตั้งใจภาวนาทั้งอยู่ที่วัดหรือว่าจะกลับไปที่บ้านจะทำการทำงานอะไรก็แล้วแต่อยู่ในรูปแบบหรือนอกรูปแบบก็ได้ให้ฝึกหัดภาวนากันเนาะแล้วก็ขอให้พวกเราได้เข้าถึงซึ่งความเข้าใจในเรื่องของตัวของเราเอง ตทั้งเห็นว่าตัวของเราเองที่แท้จริงก็ไม่มีนะก็จะได้เข้าถึงความไม่ทุกข์อย่างแท้จริงอ่ะคอยจะเดินในธรรมทุกคน